หลวงพ่อเจ้าค่ะแพทย์หญิงสรัญญาไกลสีธาจากโรงพยาบาลสองดาวเจ้าค่ะไหมั่นใจเจ้าค่ะหงพันบาทเจ้าค่ะเหอนเิมเจ้ค่ะว่าจากโรงพยาบาลสองดาวเจ้าค่ะเป็นเป็นอะเป็นหมอเป็นหมอเจ้าค่ะเป็นหมอสรัญยาเจ้าค่ะเป็นหมอเจ้าค่ะ 还 okay. 可以，还有乌班松糕，我可会吃。那个盘饼菜，那点子乌班盘，所以乌班松糕，嘗嘗人，牛肉软和呢。 ไปกลรวมยาวาลสองันถ่ายออกกางวันกางกลางสามหมอเข้าไปนีเราสืบถามดูเป็นยังไงวางสามหมอเป็นยังไงคุณู้เกิดมาไดยนี่ว่าวางสามหมอเป็นเพราะเรื่องฝนลงกายอะไรต้เรียกชื่อวางสามหมอมา ลูกสาวยามาถูกกราเชตินอยูที่นั่นวังนั้นทางสามหมอรตองนนรงนั้นนานกราเชติ้นตืนไปตพวกบริษัทบริวารลงเรื่องนั้นสนหุดสนายใ น, นวังนั้น อ, อ็เยวังสามหมอเง่นเทือกรเอาเชติ้ง เัาลัออบออกเกินไปเลยลองก็ต้องเอาหาหมอมามาตัวมาจับเปรเทแ้วกิลูกสาวเป็นพญาพ่อเป็นพญาไม่เอาหมอลองไปคนไหนมันง่าปากเแล้วเข้าไปมนนอกปุ๊บเลยกินเลยตายไปสองหมอหมอที่สามเอาเรียก เขาเรีกเหอะไรค่มนะหล็กชัววดหรืออะไรีั่เดินลงไปเอาเอาเล็กี่ใส่ใส่อ๋อใช่ชั่ววูเออชมววด้วยครับครับนั่นไงชั่ววูดามจรจริงเปสองคนะคุณหมอหมอที่สามจริ้เอาเกชัววูดแทงไปทำไมันอ้าอย่าง้ยมันงัดป้าพี่คนงัดลงไปมันก็ข้าเขม เขก็ราบคุณมามาฆ่ากราเฟตตอนนั้นตาหมอตายเรื่องสามสองคนคนที่สามถึงเลือราเฟตมาเราเลยเยี่ยวังสามหมอจนตั้งตัวแล้วสื่อสามด้วยวผมลงไปมีอยากีปบอกว่ามีเพราว่าคือเรียกว่าวังสามหมอมันจริงลูกสาวเจ้านายใหญ่ก็ยกสายยาวก็ได้เจ้านายใหญ่ เขาทำงน้าก็จะลูกสาวงเขาก็จะั่งว่าเราไปงัดไลยวเรลื่อนมึอาไปเรืらはらはらはら่มึนงอดเลมเอาหมอมาจับอเที่หมอตายเป็นสคนเขาไปมึงัดเอาอยู่งอดไปคนที่สามเอาเหล็กขโมยถือเหล็กขโนี่ไปมันอาไแล้วพอเข้าไปมงัดเพออยู่มันถูี่ ระยขารทงค่ถึงตหมอันตายสองคนคนที่สามต้ได้ตระมาเจเรียกว่าบางสามหมอเรื่องราวอะไรนะนีอากาก็มดฝนไม่ตกไปกบังเงินเิมางขู ก็ว่างน้ํา่มดาเภอบางปนี้ไปจนทางสะพานก็น้ำอเภอบางทางอื่นมาแล้วงพ่หมดเล่เฉยน้น้ำแต่ง่ายใจหอเภอไรเข้าไปไมเงนก็เงียันางนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็ไปคือเรเราจำเล เขาว่างไงจะิ่งในช่วงนี้เอาว่างไงจะิ่งเพราะว่ามีเด็กน้อยยอดกับปลุกไว้แล้วก็นําเงินมาถวายหลวงตาแล้วครับยอดกับปลุกไว้แล้วนําเงินมาถวายหลวงตาแล้วก็ขอให้หลวงตาแข็งแรงยิ่งขึ้นไปเเป็นคนอายุที่แจังค่ะ๋มันจะต่อไปมันจะได้สี่ขาสองขาไว้พอไม่เท่าสามขา อ๋อก็คางสี่ขาหนูสึกซาบซึ่งใจมากเลยเจ้าค่ะนี่เด็กเจ็ดขวบยังรู้ภาษาว่ารักชาติรักแผ่นดินยศปุกทุกวันเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาทั้งหลายบอกเจ็ดเจ็ดขวบยังรู้ภาษารักชาติรักแผ่นดินเด็กอายุเจ็ดขวบยังรู้จักรักชาติรักแผ่นดินยศปุกปุกอมสินทุกวันยต้องศอมสินทุกวันเพื่อช่วยชาติ เพราะว่าเด็กอายุเจ็ดัวรักชาติรักแผ่นดินเ็าบอกว่าดีมีท่งนเลยไม่ตจอพี่เกียรติเขาจะเล่ากันแล้วเป็8หมงที่ว่าอะ พูดักเจ็บตอนที่มากับตาเรื่อยนนี้ท่านเ้ลยเสียงาครับผูาอ้านตานพูดาษาอะะวอยู่นอนครับมากับ้ตาอยู่เรื่อยมาไหมนายพูดภาษามาบอกวนนี้ายพาามาบเพูดจรงมองนนบ่านี้เลก่อน ถ้าพี่ภาษาใหญ่มาแล้วอย่าพูดอะไรเลยใช่ไหมเอาละตนนั้นละก็ไม่มาไม่มีไม่มีพี่ภาษาใหญ่อยู่ข้างหลังนั่นนหละมันสำคัญตัวนี้ตัวสำคัญมากนะทั้งหยิกทั้งฝ่วนหลังนี้ใส่เสื้อมาไม่ใส่ไม่ได้นีเอาละนะให้ผรแล้วก็ไปละไม่เวลา ไปลนี้ไปละอิทิ์ตังปะิตังสุมาทิปุเมวัสัมมิจโตสะเพปูเรนตุสังกปากันโธปนารโสยถามิโติระโสยถาสัพพเตโยมีวัดสันตุสัพพโรโคมินาสตุมาเตภวัตบรรายสุขีธีขาอยู่โกหะ อาพิวาชนะสีลิสันิจังกุฏาปจายีโนกัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุกังราา